เอาสัมลมจิตใจนะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับเพื่อจำพรรษาบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ถึงสิบก้าพรรษาเป็นเวลาที่ยาวนานที่สุดตลอดพระชนชีพของเรา แสดงว่าสถานที่แห่งนี้ต้องเป็นที่ที่มีความสำคัญมากพระพุทธเจ้าจึงเลือกประทับอยู่นานที่สุดองค์ก็ทรงแสดงธรรมทั้งให้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระาชาเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็เกิดขึ้นที่วัดแห่งนี้แหละ เพราะฉะนั้นเรามาวันนี้จึงเป็นบรรยากาศที่เราจะมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องฟังด้วยความเคารพเราฟังด้วยความเคารพก็คือฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความตั้งใจก็คือเอาใจของเราเข้ามาตั้งไว้ภายในตัวเรา ไม่ให้ใจเราสัดสายไปทางไหนอะไรจะอยู่รอบข้างตัวเราก็ตามเราต้องเอาจิตเราเข้ามาอยู่ข้างในจะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอันไหนที่จิตของเรารับรู้เข้ามาก็รับรู้เข้าไปปฏิกิริยาของจิตเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่รู้อย่างเดียวคือเราจะทำหน้าที่รู้อย่างเดียวละเรามีหน้าที่สารวมจิต เอาจิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเรามาตั้งไว้ในภายในเรือว่าเอาจิตของเราเนี่ยมาเคารพในพระัธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสมกับที่เราได้ดันดลมาเดินทางมาจากประเทศไทยเดินทางรอนแลมเรื่อยมาตั้งแต่สถานที่ตัสรู้สถานที่แสดงพระปฐมเทศนา แล้วก็มายังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับจำพรรษามากที่สุดก็คือวัดเชตาวันแห่งนี้แล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมมากที่สุดเราได้เสียสละแรงกายแรงใจแรงทรัพย์เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วละ่ะกว่าที่เราจะเดินทางมาถึงนี่ได้อันนี้ก็บอกให้รู้แล้ว ว่ามันเป็นความศรัทธาที่แรงกล้าเป็นความตั้งใจที่สูงยิ่งเป็นความเสียสละที่ยากที่จะเสียสละได้เราก็ทําได้เมื่อเราทําได้แล้วเราก็มาสังเกตดูจิตเราว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความพร้อมไหมถ้ามันพร้อมก็คือจิตเข้ามาอยู่กับตัวเราเรื่องอื่นๆนั่นปล่อยวาง ทิ้งไปหมดแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นเพราะตอนนี้เรามานั่งอยู่ในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมมากที่สุดทรงประทับจำพรรษายาวนานที่สุดพระองค์ทรงโปรดสาวกของพระองค์ทั้งภิกษุภิกษุณีสามนเณรสามนเณรีตลอดจนเทวดาทั้งหลายบรรลุธรรมกันเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นสถานที่จึงเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การฟังธรรมแล้วในวันนี้ก็เหลืออย่างเดียวคือจิตของเราจิตของเราต้องกลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วก็ต้องไม่เอาอะไรเข้ามายุ่งมารบกวนจิตใจของเราเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผ่านมาแล้วต้องให้ผ่านไปทิ้งไปให้หมดเลยปล่อยไปวางไปมันก็เป็นธรรมดาการที่คนเรามีชีวิตอยู่เนี่ย เราก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็มีเราแล้วก็มีธรรมชาติแวดล้อมตัวเราจึงมีเราแล้วก็มีธรรมชาติแวดล้อมมีเรากับธรรมชาติทั้งหลายมันก็ต้องได้เกี่ยวข้องกันเมื่อเกี่ยวข้องแล้วมันก็แค่ว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็จะเป็นเหตุการณ์อยู่อย่างนี้แหละ เราก็ไม่ต้องไปให้ความสาคัญอะไรกันมากควรทำยังไงก็ทำไปเราลองนึกถึงตั้งแต่เด็กของเราเรายังเป็นเด็กอยู่ตอนเป็นเด็กเล็กๆอยู่เราก็อยู่มีอยู่อีกแบบหนึง่งอยู่กับสิ่งแวดล้อมอีกแบบหนึง่งอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับธรรมชาติอีกแบบหนึง่งพอเราโตมาสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็เราเข้าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้โรงเรียนนั้นก็ผ่านไป ต, ต่อมาก็เป็นวัยหนุม่มวัยสาวชีวิตตรงนั้นก็ผ่านไป <S <s <it> <S มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้ <S <s <it> <S เดี๋ยวอีกหน่อยตรงนี้ก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปอีกร้อยปีพันปีก็ผ่านไปแม้มันยังไม่มาเราก็พอคาดการได้ว่ามันมาแล้วก็ต้องผ่านไปมันยังไม่มาเลยเรายังรู้เลยว่ามันต้องผ่านไปผ่านไปผ่านไป มันเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะอนาคตมันจะขนาดไหนมันก็ผ่านไปมันเหมือนเป็นสิ่งที่จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปั๊บจิตเราต้องไม่เอาอะไรแล้วอ่ะเพราะมันแค่ผ่านมาผ่านไปแล้วมีอะไรที่เราเคยคิดว่ามันสำคัญที่สุดในชีวิตของเราอ่ะมันเหมือนมีความยิ่งใหญ่เหมือนมันมีความสำคัญแล้วมันก็มีอิทธิพลต่อจิตใจของเรา มามากมายมหาสารยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่แล้วมันก็ผ่านไปก็แค่ผ่านมาเพื่อที่จะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตั้งแต่อยู่ในท้องเราก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วเป็นเด็กทาลกก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านไปอีกแล้วเป็นวัยนักเรียนประถมผ่านมาแล้วก็ผ่านไป มัธยมบางคนเรียนมัธยมก็ผ่านมาผ่านไปวัยหนุ่มวัยสาวผ่านมาก็ผ่านไปอายุมากขึ้นมากวัยผู้ใหญ่ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปวัยชราก็ผ่านมาเดี๋ยวก็ผ่านไปสุดท้ายก็ต้องตายไปถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะมันก็แค่นี้เองอ่ะชีวิตอ่ะแค่ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไป ถ้าหาว่าเราตายไปแล้วเรามาเกิดอีกมันก็ต้องผ่านไปอีกผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอีกผ่านไปอีกผ่านมาผ่านไปอีกจึงว่ามันผ่านไปตั้งแต่มันยังไม่มาแล้ววันนั้นถ้าเรามาเกิดปับ๊บถ้าเราเข้าใจชีวิตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเนี่ยเราเกิดมาแล้วความเจ็บก็ต้องตามมาความแก่ก็ต้องตามมา สุดท้ายความตายก็มาถึงแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปก็ผ่านไปอีกละมันเกิดผ่านมาเพื่อผ่านไปเกิดก็เพื่อจะแตกดับสลายไปเกิดมาเพื่อแก่เพื่อตายไปแต่ว่าไอ้ความสําคัญภายในจิตเรานี่แหละที่มันจะสร้างปัญหาให้แก่ชีวิตของเราเพราะระหว่างที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราเป็นหลงให้ความสําคัญมัน่นหมายมัน ให้ความสำคัญมั่นหมายแก่ชีวิตนี้มากเกินความเป็นจริงเราไม่เข้าใจความจริงไอความสาคัญมั่นหมายของเราเนี่ยมันก็จะสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาแล้วก็มารบกวนตัวจิตเองคือจิตไม่ให้ความสำคัญมันความสำคัญมันสร้างความยิ่งใหญ่ให้อตาให้ตัวตนของเราเหมือนตัวเรานี่จะยิ่งใหญ่พอมันยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วอะไรจะมาแตะมาต้องอะ่ะมันรู้สึกเจ็บปวด เพราะมันตัวตนมันใหญ่พอใหญ่พอมีอะไรมากระทบกระเทือนเนี่ยมันก็เลยเจ็บปวดมันก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าหากว่าเรามองชีวิตเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรอะแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตัวตนเราน้อยเราไม่มีความสำคัญอะไรมากมายอะไรจะเกิดก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรื่องราวก็ไม่มากเราก็จะรู้ว่าชีวิตเนี่ยควรดาเนินยังไง ควรเป็นไปย really the no like ังไงเราจึงไม่มีความทุกข์เราจึงจะมีความสุขความสบายเพราะชีวิตของเราจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือความสุขไม่มีใครเราต้องการความทุกข์สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันก็ต้องการความสุขไม่ได้ต้องการความทุกข์ในชีวิตในเมื่อเราต้องการความสุขแล้วความสุขจริงๆมันอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทาความเข้าใจเพราะว่า ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราก็จะเป็นทุกข์ได้เป็นทุกข์เพราะความไม่เข้าใจของเราเองไม่ได้เป็นความทุกข์เพราะคนอื่นเป็นเพราะสิ่งอื่นเป็นเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นเพราะภัยธรรมชาติเป็นเพราะคนนั้นคนนี้เข้ามาทำเรามันเป็นทุกข์มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจชีวิตเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจชีวิตมันก็แค่นี้แหละชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละผ่านมาก็ผ่านไป มันผ่านมาเพื่อจะผ่านไปเกิดขึ้นมาแล้วก็เพื่อจะแตกดับสลายไปในที่สุดเหมือนกันมันก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองความสําคัญก็คือตรงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นความสําคัญตรงนี้ท่านต้องการให้สาวก ข, ของพระองค์เนี่ยเข้าใจชีวิตเข้าใจเรื่องของตัวเองให้ถ่องแท้เสียเพื่อจะไม่มันหลงตัวหลงตนหลงสร้างอัตตาขึ้นมา สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาทำให้ตัวเองนี่ดูใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ไง่ายเพราะว่าเมื่อมันใหญ่มันก็ อ, กอะไรมากระทบมันก็ลุนแรงมันก็ยิ่งควาตัวตนของเราขยายออกไปมากถ่าว่าเรามีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็มีเราก่อนแล้วพอเรามีอะไรขึ้นมาก็เป็นของเราขึ้นมามีของเราขึ้นมาญาติของเราลูกของเราทรัพย์ของเรา อันนั้นอันนี้ของเราเพอะอะไรมาแตะมาต้องของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ทันทีเนี่ยความทุกข์มันก็เลยขยายตัวออกไปยิ่งใหญ่ตามอํานาจความหลงของเราตามอํานาจอัตตาตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาเรียกว่าเป็นแค่ภาพลวงตาเราสร้างขึ้นมาเอาปรโลมมันขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ทุกข์เพราะสิ่งที่เราหลงสร้างขึ้นมาเองนี่พุทธเจ้าท่านรู้ความลับตรงนี้อ่ะ ท่านก็เลยอยากให้รู้ซะว่าชีวิตเนี่ยจริงๆมันคืออะไรมันก็แค่ผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เหรอผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเราย้อนไปดูอย่างที่ว่านั่นแหละสมัยเป็นเด็กมันก็แค่ผ่านมาผ่านไปเป็นนักเรียนก็ผ่านมาผ่านไปนักศึกษาผ่านมาผ่านไปวัยหนุ่มวัยสาวผ่านมาผ่านไปวัยผู้ใหญ่ผ่านมาผ่านไปเดี๋ยวแก่ลงไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปสุดท้ายมันก็ตายก็ผ่านไปหมด จากโลกใบนี้แล้วอยู่บนโลกอันนี้เราอยังมีอะไรไหมที่เราจะเก็บมาเจ็บปวดมาเป็นทุกขมาทรมานที่ใจของเราแล้วมันสมควรไหมมันควรทําแบบนั้นไหมควรเป็นแบบนั้นไหมควรให้มันเป็นแบบนั้นไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นี่ก็คือตรัสรู้รั้วอันนั้นน่ะมันไม่ควรหรอกถ้าว่าใครทําตัวเองให้เจ็บปวดให้ทุกข์ให้ทรมาน ให้รุ่มให้ร้อนให้เศร้าให้หมองเนี่ยมันกลายเป็นความโง่ไปเลยโง่เพราะว่าไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองพอไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองอย่างท่องแท้มันก็หลงตัวหลงตนมันก็กลัวว่าตัวตนเนี่ยจะบุบสลายตัวตนเนี่ยจะถูกกระทบกระเทือนแต่จริงๆแล้วตัวตนจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีหรอก มันก็แค่สิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันมีเหตุปัจจัยผ่านมาแล้วก็เลยผ่านไปแต่ตอนระหว่างที่มันกำลังอยู่ระหว่างที่มันจะผ่านไปผ่านไปเนี่ยแต่ละขั้นตอนเนี่ย <cents. S 1> เราก็หลงอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่ตลอดไปเหมือนกับว่าไม่อยากให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าอะไรดีก็อยากให้ดีตลอดไปอะไรถูกใจก็อยากให้ถูกใจตลอดไป อันไหนที่เราชอบก็อยากให้ยั่งยืนตลอดไปเพราะเราอยากให้เรามีความสุขอยากให้ได้ใจเราอยากให้ถูกใจเรามันก็เลยสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้แกเราเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นแค่อาศัยเป็นสิ่งที่มาอาศัยเพื่อให้ช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี้ยมันก็มีความสุขความสาบายได้ตามอัตภาพตามความเหมาะสม เพราะว่าเราต้องการความสุขความสุขก็สุขทั้งภายในสุขทั้งภายนอกมันก็ยิ่งบริบูรณ์สมบูรณ์่ทางจิตใจก็มีความสุขสงบปล่มเย็นทางภายนอกก็ต้องมีอาหารการกินมือเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไม้ส้อยเรียกว่าบริบูรณ์สมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในภายในเนี่ยจิตใจต้องสงบเยือกเย็นก็คือต้องมีธรรมะมีธรรมะก็คือการที่เรามีสติมีปัญญา รู้ความจริงของชีวิตคือถ้าหาว่าใครจิตมันเริ่มกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมันไม่มีอะไรมาห่อหุ้มจิตใจเนี่ยถ้าลองเอาจิตเข้ามาเข้ามาตรวจสอบดูชีวิตของเราอะ่ะเหมือนกับเอาจิตแทนที่จะปล่อยจิตให้ออกไปข้างนอกให้พุ่งไปข้างนอกเราเปลี่ยนใหม่เอาจิตของเรากลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วก็มามองดูชีวิตมามองดูตัวเราเอง ทำยังไงที่เราจะเข้าใจชีวิตเราเองเราก็ทำได้หมดอ่ะเพราะเราตอนนี้เราอยากจะเข้าใจชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาเรามีแต่สนใจเรื่องข้างนอกการเรียนหนังสือทางโลกก็เหมือนกันเราก็เรียนเพื่อจะไปทำมาหากินเรียนรู้เรื่องข้างนอกเพราะนั้นเราจึงรู้เรื่องข้างนอกดีแต่ว่า สิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาก็คือเรียนรู้เรื่องตัวเองเรื่องข้างในเรื่องชีวิตของเราเองเรื่องจิตใจของเราเองเรื่องกายของเราเรื่องจิตของเรามันเลยทำให้เรารู้แต่เรื่องข้างนอกมากแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของตัวเองก็รู้เรื่องไม่ดีพอมันรู้ผิวเผินอะรู้แต่วิธีที่จะหาอะไรมาบำรุงบําเลอรลปเปือ ให้มีความสุขทางเนื้อทางหนังให้มันรู้สึกว่ามันสุขมันสบายทางภายนอกมันก็เลยกลายเป็นไปหลงยึดติดข้องวัตถุเหล่านั้นไปหลงสิ่งที่จะมาทำให้เรามีความสุขแทนที่เราจะมีว่าเออเอามาเพื่อให้เรามีความสุขก็ไปยึดไปติดข้องวัตถุหรือสิ่งที่จะมาทำให้เรามีความสุขนั้นมันก็เลยกลายเป็นความหลงไปอีกแบบหนึ่ง พอสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นมันบุกมันสลายมันก็เป็นทุกข์อีกความทุกข์มันก็เลยขยายตัวออกไปแทนที่มันจะเป็นสุขนี่แหละเราจึงจําเป็นจะต้องมาทําความเข้าใจชีวิตเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าพร่ำสอนน่ะจริงๆแล้วก็คือเรื่องชีวิตของแต่ละคนนี่แหละเพื่อให้จิตใจของแต่ละคนแต่ละดวงมีความสุขสงบร่มเย็นไม่มีความทุกข์ได้เลยยิ่งดีถือว่าประเสริฐที่สุดเลย เพราะฉะนั้นเมื่อเอาเราเอาจิตเรามองเข้ามาข้างในมองเข้ามาที่ตัวเรามองเข้ามาที่กายเรามองเข้ามาที่จิตของเราตอนนี้กายเราอยู่ยังไงร่างกายของเราก็ปฏิบัติบูบชานี่เป็นความดีพอเราเริ่มทําความดีถูกต้องอย่างเนี้ไอ้จิตมันก็รู้สึกว่ามันพอใจพอใจเหมือนกับว่าสิ่งนี้มันจิตเรายอมรับ ว่ามันเป็นสิ่งประเสริฐจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ท่านก็ภาคเพียรพยายามอดทนสร้างบรารมีกว่าที่จะพบผลทางที่จะทําให้ผลทุกดาแล้วพระองค์ก็เอาข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทําให้พ้นทุกข์ที่จะออกจากทุกนี้มาอบรมสั่งสอนสาวกของเรา พอเราได้ทำในสิ่งที่มันเป็นสิ่งประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ภาคเพียรพยายามอดทนแสวงหามาด้วยความเหนื่อยยากลำบากแล้วมาหยิบยื่นให้แกเราเนี่ยเราก็มีความพอใจขึ้นมาแล้วเวลาเราปฏิบัติจิตของเรามันก็น้อมเข้ามายิ่งเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นไปเพื่อทาให้จิตของเราเนี่ยกับเข้ามาอยู่กับตัวเอง เมื่อจิตกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยจิตที่มันเคยซัดใส่ออกไปแล้วก็ไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาทับถมตัวเองให้เป็นทุกข์อ่ะไอสิ่งเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วจิตเรากลับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามามาแน่วแน่อยู่ภายในพอมาแน่วแน่อยู่ภายในจิตที่เข้ามาอยู่ข้างในได้มันวางอารมณ์ข้างนอกแล้วอะ่ะเพราะนั้นเรื่องข้างนอกมันก็เลยดับไปคราวนี้มาอยู่กับภายในที่นี่ มันก็มาจดจอจดจออยู่ภายในเพราะมันจดจออยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นก็หายหมดไปดับไปหมดแล้วจิตใจของเราก็เลยเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายจิตของเราก็ไม่มีอะไรที่จะมาทับถมจิตทำให้จิตมันหนักทำให้จิตมันเดือดร้อนจิตของเราก็เลยเป็นจิตที่มันแน่วแน่ขึ้นมาเป็นจิตที่มีความสงบ มีความสุขความสบายขึ้นมามีความปล่งความโล่งความเบาขึ้นมาไอ้โปร่งโล่งเบาเนี่ยเขาเระะียกว่าปัสธิปัสะทิคือความสงบสงบกายสงบใจกายก็สงบกายสงบก็คือกายก็ปู่กายก็โล่งกายก็เบาจิตตะปะสะัสสิจิตก็เป็นสงบความสงบของจิตก็คือจิตลึกซึ้งเข้ามาก็ทำให้จิตโล่งโปร่งเบาสบายเหมือนกัน ไอ้ความสงบนี่มันทําให้เกิดการผ่อนคลายเกิดความโปง่งโล่งเบาสบายนี่เขาเรียกตัวปัจธิแล้วการที่จิตของเรามันสุขอยู่ภายในเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่มีความลึกซึ้งเพราะฉนั้นความสุขเนี่ยมันเป็นเหตุใกล้ของสมาธิเพราะน้นคนที่จะเป็นสมาธินี่ก็คือมีความสุขหรือไม่งั้นก็คือเรียกว่าอุเบขาอุเบคาก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งเป็นความสุขขั้นละเอียดเข้าไป เพราะนั้นความสุขก็ตามหรืออุเบกขามันเป็นความละเอียดของจิตเมื่อจิตมันมีความสุขความสบายมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาพอจิตเป็นสมาธิจิตก็จดจ่ออยู่ภายในเรื่องทั้งหมดในโลกมันอยู่ข้างนอกหมดเลยแต่ก่อนมีแต่เรื่อง ม, มีแต่นู่นมีแต่นี่ มีแต่สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นอยากพูดอยากคุยอยากรู้เรื่องรู้ราวมันลุ่งลังไปหมดเลยอะ่ะเวลามันมามันไม่รู้สึกตัวแต่พอเราเอาจิตเข้ามาอยู่กับตัวเราเอาจิตเข้ามาอยู่กับตัวเราได้อารมณ์เหล่านั้นมันดับไปพออารมณ์ดับไปเนี่ยจิตมันเป็นอิสระขึ้นมามันสบายมันสบายมันมีความสงบร่มเย็นอยู่ภายใน ใจของเราก็เลยไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความวุ่นวายเราก็สังเกตดูจิตใจของเราถ้าเอาจิตของเราเข้ามาสังเกตดูล่างกายเป็นยังไงกายล่างกายเราตรงไหมมีกม้กมๆเงยๆไหมมีสัปองงกงันไหมอันนี้ต้องกระตุ้นความรู้สึกตัวเองได้ด้วยนะถ้ามันรู้สึกมันซึมๆนี่ต้องกระตุ้นทําให้มันตื่นขึ้นมาให้ได้นี่เวลาปฏิบททัติธรรมนี่มันต้องแก้ไขตัวเองได้ด้วย ไม่ยิ่งซึมก็จะนั่งให้ซึมอยู่ตลอดไม่ได้นะต้องกระตุ้นตัวเองให้ได้ด้วยต้องทำทุกอย่างให้มันตื่นให้ได้ถ้ามันไม่ตื่นเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์จากการนั่งสมาธิหรอกมันต้องเป็นจิตที่ตื่นตื่นแล้วก็รู้รู้เอามามองดูกายก็ต้องรู้ว่ามันนั่งอยู่ยังไงถ้าหาว่ามันซึมเนี่ยต้องมอง ก, องกว้างๆเลยมองร่างกายมันนั่งอยู่ยังไงอย่างน